ขเขาะชื่ฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดงไงโอ้ ย, ยตัวเล็กของเขาโตเต็มไวที่ผ่านมานะ่พูดจริงๆนะครับเขาคนเต็มใจ